มือเช้าได้ยินเสียงฟ้าร้องโอ้มันพญาแถนยิงปืนนัดเดียวเนีด่ดดังสนั่นวันไหวแต่ดูๆแล้วถ้านับจันทรคติหรือว่าสุริยคติสุริยคติมันจะเข้าเดือนตุลาเดือนตุลาเนี่ยจะหมดฝนนะลูกหลานเพราะ อีสานของเราเนี่สิงหากบกันยาเป็นเดือนที่ให้น้ำมากที่สุดพอถึงเดือนตุลาแล้วก็แผ ล, ลเบาแล้วบางทีก็หมดเลยแต่ปีนี้เราก็ยังอุ่นใจอยู่อย่างหนึ่งคือคือว่าจันทรคติจันทรคติคือแปดสองหนมันยังอีกหนึ่งเดือนจึงจะออกพรรษา จึงจะหมดเขตฤดูฝนถ้ามันไปตามจันทรคติเออ ย, อย่างพออุ่นใจถ้าสุรยิยคติมันเดือนตุลาลมันหม ด, หม ด, หมดจะหมดฝนแล้วนะเนี่ย <c oughs> ถ้ามหมดฝนในช่วงนี้ก็ชาวนาเขารู้สึกว่าจะลำบากลาบากอยู่บ้างนะแต่ไม่ถึงกับ เสียหายมากแต่ก็เสียหายถ้ามันตกจนออกพรรษาแล้วก็เออก็จะเป็นประโยชน์สำหรับพวกเราท่านทั้งหลายต่อพี่น้องประชาชนต่อคนในชาติแต่รู้สึกน้ำทั้งหลายน้อยปีนี้ถ้านึกย้อนหลังปีนี้ล <c oughs> ปีนี้น้ำน้อยน้ำในเขื่อนน้ำในคลอง ห่วยลางของเราก็ไม่ถึงครึ่งคลองเลยแต่ก่อนไม่เป็นอย่างนี้นะ <c oughs> วันนี้เป็นวันที่แปดวันที่วันที่สามสิบใช่ไหมฮะกันที่สามสิบใช่ไหมวันเนี่ย วันนี้เป็นวันที่สามสิบกันยายนพุทธศักราช25ั้าอห้าสิบแดกระถินของเราเนี่ยหลวงพ่ออ่านใ่ประกาศกระถินมันก็เลยเป็นในวันที่แปกไปเนี่ยหลวงพ่อได้เขียนกติธรรมให้คุณโชมคุณโชมขอคติธรรมว่างั้นจะติดกระเป๋าหลวงพ่อขคิดแล้วคิดอีก นี่คงจะเอาคติธรรมไม่มากเอาอันเดียวก็พอมั้งเพราะมาแจกคนหนึ่งคนหนึ่งได้คติอันหนึ่งคนหนึ่งได้คติอันหนึ่งเอาไปมากคนหนึ่งเลยจะเอาทั้งสีห้าถุงพนะเ <c oughs> พราะอยากจะได้คติธรรมทุกถุงไม่ไหวไม่ไหวฮะปีนี้แหละเอาใหม่เลยเอาถุงเดียวพอแล้วละ่ะอย่าไปเอาอะไรมากคติธรรมหลวงพ่อก็เลยเขียนเป็นข้าวๆนะจะมอบให้คุณ ชมือขณะพวกเราฟังฟังดูซิว่าเป็นยังไงวันที่8พฤศจิกายน2558กระถินสามกีวัดป่านาคำน้อยตำบลบ้านกล้องอำเภอนายจางจังหวัดอุดรธานีกติธรรมกติธรรมติดถุงหิวนะเหมือนกับเราเคยทำทุกปีพอแจกเอ็มสามก็แจกถุงหิวด้วยกติธรรม การปฏิบัติธรรมจะให้ได้ผลดังใจหวังให้ตั้งจิตอธิษฐานไว้ในใจว่าข้าพเจ้าจะให้สติตั้งมั่นอยู่กับลมหายใจและหรือให้รู้สึกอยู่กับตัวเองให้มากที่สุดหรือตลอดเวลาพระอินทวายสัตตุสโกฟังๆดูสิจะติดจะติดยามไรไหมเนี่ยวะ เลยนะยังไม่พอใจบอกมาอีกเดี๋ยวจะหาให้อีกว่ะ <c oughs> แล้วก็จะมีการแจกของสำรวยถามครูบเชียงว่าเอ็มพีสามจะแจกในงานกระฎินเอจะได้กี่แผ่นแจกในข่าวนี้ราะว่าแจกใหม่ๆคือออกมาใหม่ๆบอกว่าได้ประมาณสักแปดแผ่นหลวงพ่อเดียวเอาแปดแผ่นก็พอแล้วล่ะ แต่หลวงพ่อก็้ถามหนังสืออีกหนังสือที่จะแจกในงานกรถิ่นของสำรวยจะได้กี่เล่มถามทางในช่งางในท่านรัตนะทางนู้นเขาก็บอกว่าจะได้ประมาณ ส, สองเล่มคือหนังสือหลวงตามหาบุนเล่มหนึ่งที่รวบรวมธรรมเทศนาของหลวงตากติธรรมของหลวงตา เ, เล่มหนึ่งแล้วก็ของหลวงพ่อที่ออกทอดออกมาจาก MP 3สแล้วก็ ที่เห็นว่าเหมาะสมก็จะมีอีกเล่มนึงแต่เล่มย่อมๆ อ, อย่างพวกเราเคยแจกกันนั่นแหะเพราะหลวงพ่อเองก็มองไม่เห็นอย่างอื่นที่จะเป็นประโยชน์ต่อพี่น้องประชาชนศรัทธาญาโสมที่มาเกี่ยวข้องนอกจากคติธรรมแลว้วธรรมะที่จะเข้าสู่จิตใจถ้าว่าพวกเรามีธรรมอยู่ในจิตใจ มีคุณธรรมศีลธรรมจริยธรรมอยู่ในจิตใจโลกทั้งโลกก็จะร่มเย็นเป็นสุขท่วนหน้ากันแต่ว่าโลกทั้งโลกมีแต่อิจฉาพยาบาทอาฆาตจองเวรมีแต่โมโหโกธาโลภโกรธหลงอยู่ในจิตในใจมีแต่คนสั่งสมขอมีแต่โลภโกรธหลงอยู่ตลอดเวลาคิดว่าตัวเองจะตายไม่เป็นนั่นแหละโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนหาที่สิ้นสุดไม่ได้ ไม่มีภัยไหนที่จะเดือดร้อนยิ่งกว่าภัยเกิดจากมนุษย์ด้วยกันภัยเกิดจากมนุษย์ด้วยกันเนี่ยเดือดร้อนมากมากที่ทําให้โลกเดือดร้อนวุ่นวายแต่ส่วนมรณะภัยภัยธรรมชาติอีกอนั้นอีกส่วนหนึ่งแต่ควนที่ที่เรามองมองเห็นกันอยู่เนี่ยภัยเกิดจากมนุษย์เนี่ยรู้สึกว่าเอ ถ้าว่ามนุษย์ไร้คุณธรรมไร้ศีลธรรมไร้จริยธรรมรรร ม, มีแต่กิเลสโลภโกรธหลงอยู่ในจิตใจน่นะโลกทั้งโลกจะเดือดร้อนเพราะนั้นหลงพ่อเองคือเป็นส่วนหนึ่งสเก็ตหนึ่งของโลก ท, ที่เกิดมาในยุคนี้สมัยนี้นี้ก็มองเห็นว่าไม่มีอันไหนที่จะเลิศประเสริฐยิ่ยงกว่าให้แนวความคิด คือแนวความคิดที่เป็นสัมมาทิฏฐิหลวงพ่อจะพยายามเอาเรื่องที่เป็นสัมมาทิฏฐิให้กับชุมชนและสังคมในเมื่อพวกเราท่านทั้งหลายได้ทุกคนถึงจะเป็นสัมมาทิฏฐิน้อยนิดก็ยังดีกว่าที่ไม่มีสัมมาทิฏฐิในจิตใจเสียเลยแต่ถ้าว่าเป็นสัมมาทิฏฐิบริสุทธิ์บริบูรณ์แล้วน่ เออบริบูรณ์คือเป็นพระรหันต์แล้ว น, ะนั่นแหะเลิศประเสริฐที่สุดนะแต่ถึงยังไงก็ตามหลวงพ่อย้อนกลับไปย้อนกลับมามาพิจารณาดูแล้วทามนุษย์ชาติของเราและเลือกถึงมรณงเมภาวิสติไงก็เลยเลือกถึงความตายไว้อยู่ในจิตใจเรื่องทั้งหลายทั้งปวงที่จะทําความชั่วเสียหายนะนะั่นแหะคือจะมักใหญ่ไฟสูง มันคงจะหมดไปในจิตใจถ้าเราไม่คิดถึงคานี้แหละไม่ละเลึกถึงความตายเนี่ยไม่ละลกถึงมรณ ะ, ะเมให้ให้ให้ตัวเองนะั่นแหละมันอยากจะคลองโลกนะมันจงมักใหญ่ไฟสูงอย่างมากๆคิดว่าตัวเองตายไม่เป็นถ้าคิดว่าตัวเองตายเป็นนั่นแหละท่านจึงให้คติธรรมว่าละเลิกถึงความตายสบายนักหักรักหักหลงในสงสาร แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเนีพระพุทธเจ้าเรื่องว่าคติธรรมหรือว่าอย่างหวาางลวงพ่อเนี่ยเป็นต้นไม่ใช่เอาความตายมาขู่มาขู่กันนะพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามีจริงอยู่แต่หลวงพ่ออินเนี่ยทำไมเอาความตายมาขู่กันบ่อยเหลือเกินนะทำให้ไม่สบายใจอย่าไปคิดอย่างนั้นคิดอย่างนั้นแปลว่ามิจฉาทิฏฐิอีกละไม่ใช่สัมมาทิฏฐิถ้าสัมมาทิฏฐิก็ต้องคิด รละลึกถึงความตายสบายนักหากรักหักหลงในสงสารให้พวกเราคิดไว้ในใจอยู่เสมอหลวงพ่อทำไมจึงพูดบ่อยพระพุทธเจ้าทำคำสอนของพระพุทธเจ้าทันตรัสว่าดูก่อนอาหนนท่านระลึกถึงความตายวันละ ก, กี่ครั้งประมาณวันละร้อยครั้งพระเจ้าค่าอานน เธอยังตั้งอยู่ในความประมาทนะระลึกถึงความตายวันละร้อยครั้งต้องระลึกถึงความตายทุทกลมหายใจเข้าทุกลมหายใจออกถ้าหายใจไม่เข้าก็ตายหายใจไม่ออกก็ตายนะจึงตั้งอยู่ในความไม่ประมาท อ, อนอันนี้ฟังดูซิว่าพวกเราระลึกถึงความตายวันหนึ่งกี่ครั้งถ้าเราระลึกน้อยเกินไปเรือไม่ระลึกเลย เราจะว่าเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าได้อย่างไรถ้าเราเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าพระพุทธเจ้าเตือนอย่างนั้นเราต้องระลึกถึงความตายให้มากหายใจเข้าพุทหายใจออกโธเกิดดับเกิดดับอย่างกรรมฐานหลวงปูล่ลาที่ท่านให้ไว้กรรมฐานพระพุทธเจ้าเหมือนกันนั่นแหละแต่นำหลวงปูล่ลานํามามุมหนึ่งมาเตือนพวกเราว่าเกิดดับหายใจเข้าเกิดหายใจออกดับหายใจเกิดก็คือมันเกิด ดับเกิดตายเกิดตายคนเราเกิดมาแล้วก็ตายไม่มีใครที่จะ <c oughs> หลีกเลีหนีเว้นไปได้เรื่องความตายเพราะฉะนั้นอย่าไปคิดว่าความตายเอาความตายมาคู่กันเตือนกันด้วยความด้วยความหวังดีเตือนกันด้วยเจตนาดีเตือนกันเพราะเป็นพวกเราเป็นคนที่รักเคารพนับถือ เลื่อมใสในพระธรรมคําคสอนของพระพุทธเจ้าเอาพระธรรมคาสอนของพระพุทธเจ้ามาเตือนกัน <c oughs> พวกเรา <c oughs> พวกเราทั้งหลาย <c oughs> อย่าตั้งอยู่ในความประมาทให้ระลึกไว้อยู่เสมอถ้าคนระลึกถึงความตายไว้อยู่เสมอจะทำความชั่วคิดจะทำความชั่วอันไหนขึ้นมาเ อ, อ้ยเราจะอยู่ไปนานเท่าไหร่ว้า ในเมื่อความตายเข้ามาถึงแล้วทนะ่านเราไปทําความชัว่วคนทั้งหลายเขาจะประนามขนาดไหนดูถูกเหยียดหยามขนาดไหนขนาดตายไปแล้วเขายัง ด, าด่าต่อไปอีกมากมายเพราะฉะนั้นให้ให้สํารวมให้ระวังคิดให้ดีทําให้ดีพูดไม่ดีคําว่าดีรู้ไหมดีให้ถามตัวเองดีรู้ไหมดี คิดดีคืออะไรแล้วทําดีรู้ไหมทําดีคืออะไรพูดดีนั่นคืออะไรรู้ไหมพูดดีถ้าพวกเราได้ยังได้ยินได้ฟังธรรมคาสอนหรือว่าเราได้รับการศึกษาที่จะเป็นคดีโลกมาเราก็พอจะย้ําเตือนตัวเองว่าได้วันดีนั่นคืออะไรดีนั่นคือไม่คิดเบียดเบียนตนและผู้อื่นคิดเขาไม่คิดเบียดเบียนตนและผู้อื่น ทำก็ไม่ทําเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นพูดก็ไม่พูดเพื่อจะเบียดเบียนตนและผู้อื่นคือมันออกมาจากใจทั้งนั้นอันนี้แหละดีดีจากนั้นก็ทบทบทวนดูเถอะการที่จะคิดที่มาและการที่จะทําการที่จะพูดะเป็นยังไงอันนี้ให้พวกเราท่านทั้งหลายพวกเราทุกทุกท่านนะให้ให้ตรวจตราสรุปแล้วก็คือ ให้เป็นคนดีของผลละโลกเราเกิดมาทั้งในโลกนี้อย่าทำลายโลกอย่าคิดล้างผ่านโลกอย่าคิดไม่ดีต่อโลกอย่าไม่คิดไม่อย่าคิดไม่ดีต่อประเทศชาติต่อเพื่อนร่วมชาติต่อชาติศาสนาพระมหากษัตริย์ให้รักเขารเธอทูลบูชาในชาติคนในชาติและพระพุทธศาสนาที่ศาสนา ทุกศาสนาที่สอนให้คนเป็นคนดีถ้าศาสนาไหนก็ medi, ตตาม ه, ไม่สอนให้คนเป็นคนดีน่ะประนามถ้าศาสนาใดก็ตาบสอนให้เป็นคนดีหรือว่าศาสนาสอนให้เป็นคนดีก็จริงอยู่แต่คนที่นับถือศาสนาทำไม่ดีเราก็ต้องประนามประนามในการกระทำนั้นกระทำไม่ดีทั้งที่ศาสตาศาสนาสอนให้เป็นคนดี พุทธศาสนาของเราก็เหมือนกันไม่ใช่ว่าจะดีุนับถือพุทธศาสนาแต่ทำความเสียหายแล้วก็ประนามอีกเหมือนกันทำไมนับถือพระพุทธเจ้าแล้วทำไมทำตนไม่ดีพระพุทธเจ้าสอนอย่างนั้นใช่ไหมไม่ได้สอนอย่างพลาดก็เหมือนกันพระพุทธเจ้าสอนในหลักธรรมวินัยอย่างไรธทําวินัยของพระพุทธเจ้าท่านสอนอย่างไรศีลสองยเจข้อเป็นยังไง แต่ทำอะไรออกนอกนอ ก, นอกทางอันนีจ้จะเป็นลูกศิษย์พระพุทธเจ้าหรือเป็นสากยบุตรได้แล้วเนี่ยทำตนอย่างนี้น่าประนามการทําอย่างนี้ไม่ใช่ลูกศิษย์ของพระพุทธเจ้าไม่ใช่ผู้ที่นับถือพระธรรมคําสอนหรือปฏิบัติตามทำคําสอนของพระพุทธเจ้านี่แหละอันนี้ก็คือการ กระทำของแต่ละคนแต่ละกลุ่มแต่ละคณะแต่ท้ายุคใดสมัยใดพวกเราเคารพในการเป็นอยู่ดูตัวเองไม่ลืมตัว น, ะนั่นแหละหลวงพ่อมั่นใจนะอยู่สถานที่ใดโลกทั้งโลกก็เกือกูลหนุน ก, กันคนหนึ่งได้หนึ่งคนหนึ่งได้หนึ่งโลกก็นี่จะไปเก่งแต่คนเดียวได้เหรอ แ่ข้านี่แหละเก่งกว่าเพื่อนทั้งหมดเป็นผู้บริหารเป็นรู้กฎหมายดูถ้าเขาไม่ทำนาให้กินล่ะเราไม่ได้กินข้าวแล้วจะอยู่ได้ไหมนั ก, กฎหมายถ้ามีแต่ทำนายอย่างเดียวไม่มีอย่างอื่นละ่ะไม่มีรถขีล่ล่ะไม่มีอย่างอื่นตัวเองอยู่ได้ไหมอยู่ไม่ได้นั่นแหละโลกทั้งโลกมันต้องพึ่งพาอาศัยกัน ตาก็อาศัยหูหูอาศัยจมูกอมุจมูกอาศัยลิ้นลิ้นอาศัยกายมันอาศัยซึ่งกันและกันเลยอาการอยู่ในในตัวของเราอาการ32มสิบองมีสามสออย่างทั้งตับทั้งปอดอาศัยซึ่งกันระกังกระเพาะอาหารทางเดินปัสสาวะอะไรทุกอย่างมันอาศัยกันทั้งหมดสรุปแล้วก็คือโลกทั้งโรกมันต้องอาศัยซึ่งกันและกันแล้วจะไปทําร้ายทําลายจุดใดจุดหนึ่ง ในร่างกายของเรานั่นะผิดปกติของร่างกายอันนี้ก็เหมือนกันเราจะไปทำร้ายทาลายสิ่งที่มันเอมันดีอยู่แล้วมันก็เสียหายเว้นเสียแต่จุดนั้นมันเป็นมะเร็งแล้วว่ามันไม่ดีอันนั้นก็ควรจะช่วยกันรักษาและกําจัดหรือตัดออกเอส่วนที่มันจะเสียหายอันนี้โลกทั้งโลกอันไหนเสียหายไม่เสียหายรู้ไหมเอไม่ใช่ว่างโง่จนกระทั่งว่า เขาให้ตัดอะไรก็ตัดให้ตัดขาก็ตัดตั้งที่ขาตัวเองดีๆ เ, เพวกเขาให้ตัดเนี่ยเลือกพยายามจะไปตัดขาเขาทิ้งเอีมันจะเป็นธรรมแล้วมันจะถูกต้องไหมอย่างนั้นแปลว่าคิดไม่ดีลเลยคิดไม่ดีกระทาออกไปก็ไม่ดีพูดออกไปมันก็ไม่ดีนี่นแหละถ้าคนมีจริยธรรมในจิตใจมีคุณธรรมในจิตใจการที่จะทําจึงไหนก็ตามคิดทรรําพูดก็เป็นไปในทางที่ถูกต้อง โลกทั้งโลก ก, ก็ร่มเย็นเป็นสุขประเทศทั้งประเทศก็ร่มเย็นเป็นสุขชุมชนในกลุ่มของเราก็ร่มเย็นเป็นสุขการอยู่คนเดียวอยู่ในป่าอยู่ในที่สงัดสงบสงัดอยู่ในห้องคนเดียวเราก็คิดดีทํำดีพูดดีทําจิตใจให้สงบเน่งมีแต่ความสุขในจิตใจเพราะฉะนั้นให้พวกเราฟังดูสิทำคาสอนของพุท ธ, ธะที่หลวงพอ่อนํามาสาธกมากล่าวมาย้ําเตือนให้พวกเราท่านทั้งหลายได้ฟัง สรุปแล้วก็คือทำจิตใจให้สงบเมื่อจิตใจสงบเป็นสมาธิดีจะทํำยังไงจึงจะทําให้จิตใจสงบก็อย่างหลวงพ่อได้อ่านคติธรรมเมื่อกี้เนะี่ยต้องตั้งจิตอธิษฐานอธิษฐานคือตั้งใจมั่นคือตั้งจิตให้ตั้งจิตไว้ให้มั่นในตัวเองว่าข้าพรเจ้าจะให้มีสติ อยู่กับลมหายใจเข้าหายใจออกแล้วก็ให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายอันใดอันหนึ่งก็ได้ใ ห, ให้ลมหายใจก็ได้หรือว่าให้มีสติอยู่กับการเคลื่อนไหวของร่างกายก็ได้ให้มีสติอยู่กับตัวเองอยู่ในกายกายในกายนี่แหละถ้าหาว่าเรามีสติอยู่อย่างนี้นะมันจะไปไหนการปฏิบัติธรรมจิตใจของเราก็เข้าสู่ความสงบ เ, เมื่อจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วนำมาพิจารณาทางด้านปัญญาวิปัสสนาตามหลักธรรมคำสอนของพระพุทธเจา้าพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านชี้แจงให้กับพวกเราท่านทั้งหลายฟังเราก็จะรู้ได้เห็นได้ในเรื่องต่างๆเพราะใจของเราเฝ้าบ้านเฝ้าบ้านเฝ้าอยู่กับตัวเองมันก็จะจะมองเห็นสติอยู่ในจตติในตาสติในหูสติอยู่ในจมูก สติอยู่ในลิ้นสติอยู่ในกายให้ดู ก, กับตัวเองอยู่ตลอดไปเห็นกายตาไปเห็นโูกเป็นยังไงอสติทันหูได้ยินเสียงเสียงเข้ามาเป็นยังไงสติเราทันกิเลสโลภโกรธโงงน้าเรามีสติอยู่แล้วมันเกิดขึ้นมายากนะถ้าเรามีความพยายามมีความตั้งใจปกป้องจัดสู้กับมันอยู่ จะออกกาจัดมันออกไปอยู่ น, ะนี่ยแหละถ้ามีสติอยู่กับตัวเองนะอยู่ในให้ตัวเองให้มากที่สุดหนระือตลอดเวลานะัน่นแหละอันนี้คือเราจะปฏิบัติได้ผลแน่นอนแตมีแต่นั่งภาวนาพอนั่งเข้าไปใจลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้เดินยังกรมใจลอยไปที่ไหนก็ไม่รู้น อ, อยู่ที่ไหนใจลอยอยู่ยังไงก็ไม่รู้ นั่นเราจะรกหวังผลถึเอ๊ะทำไมเรานั่งภาวนาตั้งนมนานมาปฏิบัติอยู่ในวัดวาศาสนาตั้งนมนานทําไมใจของเราจึงไม่ได้รับความสงบพร่อมเย็นเป็นสุขอย่างที่พระธรรมคําสอนพ่อแม่ครูบาอาจารย์ท่านพูดท่านกล่าวจะเป็นไปได้ยังไงเพราะเราไม่ ไ, ไม่ปฏิบัติตามที่ท่านได้บอกได้กล่าวมาอยู่ก็มาอยู่โปอเออร์แลเหยไม่ได้คิด สติไม่ที่อยู่กับตัวเองถ้าว่าพวกเราเอาสติบังคับอยู่กับตนเองเลไม่ต้องมากหรอกเพียงสักวันหนึ่งเท่านั้นเอาสติอยู่กับตัวเองสักวันหนึ่งให้ไปอยู่ในมุมสงบเอาเทอ่วันนี้ข้าพเจ้าจะไม่ให้เพลอตลอด24ชั่วโมงเว้นเทียแต่ข้าพเจ้าหลับในเมื่อข้าพเจ้ามีสติอยู่ข้าพเจ้าจะให้สติอยู่กับตัวเองตลอดให้มากที่สุด ถึงจะไม่ตลอดก็ให้มากที่สุดจะไม่ให้เพล่ให้อยู่ในงมมุมสงบทดลองหนยสิหลวงพ่อมั่นใจว่าการกระทำอย่างนั้นนั่นแหละเป็นบรรไดแล้วแหละท่านี่เฮ้เป็นบรรไดขึ้นมาพอเราทำอย่างนั้นได้วันหนึ่งวันที่สองที่สามที่สี่นั่นมันไปเองท่นี่อืมใช่เออให้ตั้งสติอยู่กับตัวเองตัวนี่แหละเออ เป็นบันไดที่จะต้องเข้าไปสู่เป็นกุญแจดอกแรกที่จะเปิดเข้าสู่มักสู่ผลได้แต่ถ้าว่าตัวเองไม่มีกุญแจเปิดประตูแรกได้อย่างนี้อย่าหวังเลยจิติเลื่อนเลื่อนเลื่องลื่นเลื่อนลางเลเลื่นเือนแล้วจะภาวนาจะพิจารณาอะไรมันไม่เป็นอะไรทั้งหมดนะวันนี้ขอให้พวกเราทุกๆท่านนะสติสัมปชัญญะสาคัญแต่ก่อนที่จะตั้งจติได้เนี่ยเป็นยังไง ถ้าเราจะตั้งติตธรรมดามันก็อย่างนั้นตั้งจิตอธิษฐานคือตั้งใจมั่นข้าพเจ้าจะให้สติอยู่ในจิตใจคือลมหายใจเข้าหายใจออกหรือให้มีสติอยู่กายในกายของข้าพเจ้าจะไม่เผล อ, อตลอดเวลา ถ้าพวกเราทำอย่างนั้นได้นะหลวงพ่อนะมั่นใจนะลูกหลานนะคณารารยาญาติโยมผานเนนทุกองนะให้ฟังเอาไว้นี่แหละเป็นกุญแจนี่ที่จะเปิดเข้าสู่ส่วนใหญ่ได้ถ้ากุญแจดอกนี้เปิดยังไม่ได้อย่าหวังเลยที่จะเข้าไปสู่สมาธิวิปัสสนาเห็นรูแจ้งเห็นจริงในอัดในธรรมที่จะพ้นทุกข์ในวัตฏะสงสารถึงแด น, นภิพในานอ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 จากนั้นพระไทยของพระองค์ใจของพระองค์รวมสงบลงเป็นหนึ่ง hey, ฟังดูสิจริงไหมที่หลวงพ่อพูดเอามามาเข้ากฎเกณฑ์เข้าหลักเกณฑ์จากนั้นพ่อแม่ครูบ า, าอาจารย์<ม>อย่างองค์หลวงตาองค์อื่นเราเอย<ม>ฟังแต่องค์หลวงตาเนี่ยเราอยู่นานกว่าเพื่อนนานกว่าท่านก็พูดเลยบอกว่ า, าไปอยู่ตะ ก, กรอนเราก็ภาวนา กำหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจออกรู้หายใจออกมันหลุดได้ง่ายมันเผลอได้ง่ายหลวงปู่มั่นบอกให้ภาวนาบริกรรมพุทโธที่ยึดพุทโธหายใจเข้าพุทหายใจออกโทนะหลวงตามหาบัวท่างกัเนี่ยตั้งจิตอธิษฐานอย่างที่ว่าแล้วตั้งใจมั่นกําหนดลมหายใจเข้ารู้ว่าหายใจเข้าหายใจเข้าพุทหายใจออกโทพุทโธพุทโธโอ้โหวันแรกงเหมือนกับ หัวใจมันจะระเบิดพอบังคับมันไม่ให้มันคิดไปทางอื่นแต่วันที่สองก็จังลูกผีลูกคนพอวันที่สามรู้สึกว่าอืมสติของเราแก่กล้าดีขึ้นพอวันที่สี่ที่ห้าท่ะ น, นเออไม่เสื่อมใจของเราตั้งหลักได้นี่แหละจปแล้วก็คือที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวมาเนี่ยเป็นตัวอย่างไดืว่าเป็นแนวทางให้กับพวก เราทุกๆท่านนะอให้เป็นแนวทางสาหรับพวกเราทุกๆท่านให้ภาวนาอย่างที่หลวงพ่อได้พูดได้กล่าวอความสงบร้มเย็นเป็นจุกก็จะเกิดขึ้นถ้าพวกเราจิตใจเข้าสู่ความสงบแล้วระลึกถึงความตายก็เห็นความตายได้ชัดเราไม่รู้จะอยู่โชวฟ้าดินสลายเอเห็นไหมใครจะเก่งจะกราดขนาดไหนก็เถอะล่ารวยขนาดไหนก็เอถอะยศถาบรรดาศักสูงสงขนาดไหนก็เถอะ ไม่มีใครที่จะรอดพ้นไปได้เห็นไหมเห็นมากี่ครั้งกี่คนละในเมืองไทยของเราผู้ใหญ่ผู้โตเนี่ยผ่านมาอย่างพ่อแม่ครูบาอาจารย์เราคเหมือนกันรงโรยไปเรื่อยลงเพราะอินจะไม่ตายอย่างนั้นใช่ไหมไม่น่าจะเป็นอย่างนั้นอีกเหมือนกันอะว่าผลนั้นข่าก็จะต้องอีกเหมือนกันนะ เมื่อพ่อแม่ครูบาอาจารย์ร้องโวยมาเราจะไปอยู่ไม่ตายเป็นได้อย่างเป็นได้หรอถ้าคิดอย่างนี้ก็โง่อีกเหมือนกันเราก็ต้องตายอีกแต่ไม่รู้ว่าวันไหนแต่ที่ยังไงเราเตรียมพร้อมเอาไว้อันไหนคือคุณงามความดีรู้ไหมสิ่งที่มันไม่ดีอย่าทํานะอย่าคิดนะอย่าพูดในสิ่งที่มันไม่ดีคิดทําพูดในสิ่งที่ดีอันไหนที่ดีรู้ไหมดีถ้าเราได้ศึกษา ปฏิบัตบัดมาขนาดนี้เราไม่รู้ไม่รู้จักตีไม่รู้จกัจกชั่วแล้วก็ไม่รู้จะทำยังไงอีกเหมือนกันนะลูกหลานนะเพราะนั้นลูกหลานทั้งหลายฟังเอาไว้ที่หลวงพ่อให้แนวความคิดเนี่ยต่อไปรับพร